ท่นานทำไปยัางท่าตุปัจเจเวคณะป่าทางพนามะเส้นอย่าถาปัจจยังป่าวตตมานังท่าตุมัตาเบเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าท่าตามธรรมชาตเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนี้ ยาที่ทางจีวรังตาทุปา ป, ปุชโกจับปุคโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรและคนผู้ใช้สอยจีวรนั้นธาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตามธรรมชาตินิสัตโตไม่ได้เป็นสัตว์ตอวอันยั่งยืน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 อิบังปุติกายังปัตตวาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอติวิยาชิคุชนิยานิชายันติย่อมกลายเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันย่าท้าปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตาเมเวตัง สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวาถ้าตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนื่องนิดยาที่ทางบินทาปาโตโตาทุป ป, ปุญชโกจะปุคโลสิ่งเหล่านี้คือบินทบาทและคนผู้บริโภคบินทบาทนั้น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 สาโภปนายังบินท่าปาโตอาชิโคชาเนโยก็บินทบาททั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิมอีมังปูติกายังปัตตวากรันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้ว อาติวิยาชีคุชนิโยชาญาติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยา้าปัจจยังปวัตตามานังธาตุมตาตะเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตามธรรมชาตเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยาทิทางเซนาสนางตาทุปาปุญชโกจะปุคโลสิ่งเหล่านี้คือเซนาสนาและคนผู้ใช้สอยเซนาสนานนั้นทาตุมัตะโกเป็นสักว่าท่าตามธรรมชาติ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 ก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน้าเกลียดมาแต่เดิมอิมังปูติกายังปัตตาวาครันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาชิกุชนิยานิชายันติย่อมกลายเป็นของน้าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน ยาธาปัจจั ย, ยังปะวัตต า, านังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนี้ ยาที่ทางขิฬลานปัจจจยเภสัชาปริคาโรโอตาทุปปุญชะโกจะปุขะโลสิ่งเหล่านี้คือเภสัชปริขานอันเกื้อกูลแก่คนไขและคนผู้บริโภคเภสัชาบริคานนั้นทาตุมาตะโกเป็นสักว่าท่าตามธรรมชาต นิสัตโตมิได้เป็นสัตว์วะอันยังยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสาโภปานายังขิลานะปัจจะยาเปสะจัปปริคารอาจิคุชนิโย ก็ขีลานาเพศสัตบริคานทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิมอีมังปุติกายยังปัตตวาครันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาจิุคชนิโยชายาติ ย่อมกลายเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน